ตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากพวกเราไปพระองค์ได้ทรงกล่าวคำอําราไว้ว่าเราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา จงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่เป็นคำพระโอวาทครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าพระปัจ ช, ชิมโมวาทก่อนที่จะทรงเสด็จดับคันทักพรณะะิพานไปทรง กลาวไว้ด้วยความห่วงใยเพราะพวกเรามักจะตั้งอยู่ในความประมาทกันคำว่าประมาทเป็นอย่างไรประมาทก็คือไม่ได้คิดถึงความตายกันการไม่คิดถึงความตาย ทำให้เราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆ เ, เราจะสามารถทำอะไรต่างๆไปได้เรื่อยๆ เ, เราก็เลยไม่ขวนขวายที่จะรีบตักตวงประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายให้พวกเราตักตวงกันก็คือ มรรคผลนิพพานนี่คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ให้ยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมให้ได้มรรคผลนิพพานแล้วหลังจากนั้นก็นำเอามรรคผลนิพพานนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปเรียกว่าเป็นการยังประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นความไม่ประมาทก็คือให้เราะระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราตายไปเมื่อไหร่เราก็จะไม่สามารถที่จะยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้เพราะความตายนี้เป็นสิ่งที่ ไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะตายในวันไหนเวลาใดอายุเท่าไหร่เพราะเหตุปัจจัยที่จะทำให้คนเราตายนี้มีหลากหลายด้วยกันที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปกำหนดให้ร่างกายนี้อยู่จนถึงอายุเท่านั้นเท่านี้อยู่ถึงวันนั้นวันนี้ ความตายอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่นี้ก็มีความตายกันอยู่ตลอดเวลามีคนตายกันอยู่ทุกแห่งทุกคนมีทุกวัยทุกเพศทุกฐานะนี่คือความตายที่เราควรที่จะหมั่นนำลึกถึงกัน ถึงไว้อยู่เ ร, ยเรื่อยเพื่อจะได้ให้เพื่อจะได้กระตุ้นจิตสำนึกของเราให้รีบมาสร้างประโยชน์ที่สำคัญแทนที่จะไปทำประโยชน์ที่ไม่สำคัญประโยชน์ที่ไม่สำคัญก็คือการหาความสุขทางร่างกายนี้ ด้วยการหาลาบยศสรรเสริญหารูปสเสียงติดกลิ่นรสต่างๆมาเสพเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปได้อย่างถาวร ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งที่พระเจ้าประโยชน์ที่พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเราสร้างกันก็คือความสุขทางใจความสุขจากการได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเพราะเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือประโยชน์ที่เราควรที่จะสร้างกันบำเพ็ญกันไม่ควรที่จะไปสร้างไปบำเพ็ญประโยชน์ทางร่างกาย ประโยชน์ทางลาบยศสรรเสริญประโยชน์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นการสร้างพบสร้างชาติต่อพบต่อชาติต่อการเวียนว่ายตายเกิดให้มีต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้มันเป็นทุกข์ เพราะเมื่อเกิดแล้วมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากพัดพรากจากกันเพราะมันนําความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานใจมาให้นั่นเองแต่ ก็ต้องเจอกันเพราะว่าไปสร้างเหตุที่จะพาให้มาเกิดกันนั่นเองไม่อยากได้รับผลแต่ไม่ยอมหยุดเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้นขึ้นมาไม่ยอมหยุดความอยากต่างๆความอยากที่จะหาความสุขทางลาบยศสัรเสริญ ทางตาหูจมูกิือกายเมื่อไม่หยุดความอยากเหล่านี้ความอยากเหล่านี้ก็จะเป็นตัวพาให้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มารับผลที่ไม่อยากจะรับกันมารับคือผลคือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกัน นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราเข้าใจกันว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงอะไรคือความสุขปลอมอะไรที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันอะไรที่จะทาให้เรา ติดอยู่กับกองทุกขของการเวียนว่ายตายเกิดกันสอนให้เรารู้เพื่อให้เราจะได้ยุติการกะระทําที่จะทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันและให้เรากระทําสิ่งที่จะทําให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากการ แสวงหาลาบยศสารเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการแสวงหามรรคผลนิพพานด้วยการยุติการกระทำตามความอยากต่างๆการกระทำตามความอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องหยุดมันให้ได้เลิกมันให้ได้เพราะถ้าไม่หยุดไม่เลิกความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีวันหมดก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเลิก การหาลาบยศสารเสริญเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วเรามาหามรรคผลนิพพานกันเราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติการพัดพรากจากกันได้ยุติความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ให้เราเลิกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ถ้าเป็นวันสุดท้ายของพวกเราเรายังอยากที่จะไปหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะหามรรคผลน่ผ่านกันอยากจะหาความสงบกันคนที่รู้ว่าจะต้องตายนี้มักจะอยากจะเข้าวัดกัน คนที่ไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าเป็นโรคมะเรงอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนก็ตัดสินใจเลิกหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วมุ่งไปหามรรคผลนิพพานอย่างยาตโยมท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัว เธอก็ไปไม่สบายไปพบแพทย์แพทย์ก็บอกว่าเป็นโรคมะเร็งไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้เพราะเป็นขั้นสุดท้ายหรือเวลาไม่เกินหกเดือนก็ต้องตายเธอก็เลยกราบขออนุญาตหลวงตาไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาเพื่อที่จะ หาความสงบหาลาบหาหามาผลิพานที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของของเธอเพราะเธอเห็นแล้วว่าการมีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตางหูจมูกมนิ้วกายไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการที่จะต้องตายไปได้ หลวงตาท่านก็เมตตาแต่ก่อนที่จะไปก็ท่งก็ได้พูดสั่งไว้ว่าถ้าไปก็ต้องไปปฏิบัติอย่างเดียวถ้าไปแล้วจะไปรักษาร่างกายจะเอาหมอเอาพยาบาลเอาอย่เอายาเอาเครื่องม้เครื่องมืออะไรต่างๆไปท่านก็บอกว่าอย่าไปดีกว่าถ้าไปก็คือว่ายอมตายแล้วเพราะถ้ายัางไม่ยอมตาย ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผู้ที่จะไปมรรคผลนิพพานได้จะต้องยอมตายกันถ้ายัางกลัวตายอยู่ก็จะไปไม่ถึงมรรคผลนิพพานเพราะความตายความกลัวตายนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนด่านกั้นไว้ผู้ที่จะพุบฟาด่านนี้ได้ต้องทำลายความรักตัวกลัวตายให้ได้ ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาอย่าไปหวงอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสังขารการปล่อยวางสังขาร น, นี้เป็นความสุขอย่างยิ่งอ น, นิจจาวัตถสังขารา อุปาวยธรรมิโนอุปจิตตาวนิรุชานติเลสร้างอุปสโมสุโคเลสร้างอุปสโมสุโคแปลว่าการปล่อยวางสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งจะปล่อยวางสังขารก็ต้องยอมตายที่ที่ไม่ยอมตายก็เพราะว่าไม่ปล่อยวางนั่นเองยังอยากให้สังขารอยู่ต่อไป แต่จะอยากหรือไม่อยากสังขารเมื่อถึงเวลามันจะตายก็ไม่มีใครมายับยั้งได้ถ้ายึดติดก็จะทุกข์ทรมานถ้าปล่อยก็จะสุขจะสบายพระพุทธเจ้าได้ทรงปล่อยแล้วทรงเห็นคุณของการปล่อยวางสังขารว่าเป็นสุขอย่างยิ่งจึงสอนให้พวกเราปล่อยวางสังขารกัน อย่าไปยึดอย่าไปติดสังขารเวลาเราคิดถึงความตายแล้วเราเกิดความกลัวตายขึ้นมาให้เราปล่อยมันยอมตายแล้วความกลัวตายนี้มันจะหายไปแล้วใจเราจะเย็นจะสงบจะสบายจะไม่ทุกข์กับความตายนี่คือสิ่งที่หลวงตาได้ พูดไว้กับลูกศิษย์ท่านนั้นเมื่อเธอพร้อมตามรับเงื่อนไขของหลวงตาหลวงตาท่านก็รับให้ไปอยู่ปฏิบัติไปอยู่ช่วงปลายตอนที่ออกพรรษาเนั่นะเท่าที่จำได้เมื่อปีสองพันห้าร้ยสิบแปดเพราะเป็นปีแรกที่เราเข้าไปอยู่จำพรรษาที่นั่นออกออกจากออกจากพรรษาไม่กี่วันเธอก็ไป ขอพำนักอยู่กับหลวงตาหลวงตาท่านก็เมตตาเป็นกรณีพิเศษไปแสดงทําให้ฟังทุกคืนยกเว้นคืนที่หลวงตาไม่ว่างคืนที่หลวงตาต้องมาอบรมพระหรือมีภารกิจที่ต้องไปทําที่อื่นก็จะเว้นไปแต่ถ้าวันไหนไม่มีภารกิจอื่น ตก็จะลงไปเทศสั่งสอนธรรมะให้แก่ศรัทธาท่านนี้ท่านได้ไปโปรดประยะเวลาสามสี่เดือนที่เขาไปอยู่นี้ท่าน ไ, ได้แสดงธรรมอยู่ถึงเก้าสิบกว่าครั้งด้วยกันแล้วก็ต่อมาก็ได้รวบรวมเทศนาเหล่านี้มาเป็นหนังสือธรรมะชุดเตรียมพร้อมและ หนังสือศาสนาอยู่ที่ไหนนี่เป็นที่มาของหนังสือสองเล่มนี้คือธรรมะธรรมชุดเตรียมพร้อมและศาสนาอยู่ที่ไหนเป็นธรรมที่หลวงตาสงให้หลวงตาได้สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่พึ่งทางร่างกายแล้วร่างกายพึ่งไม่ได้แล้วจะต้องตายภายในหกเดือนอก็ได้สั่งสอนให ให้รู้จักวิธีเจริญจิตตะภาวนาให้รู้จักวิธีทงใจให้สงบให้รู้จักวิธีกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายคือความอยากต่างๆด้วยการเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเราคือร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันแล้วก็ต้องแยกออกจากกันไปในที่สุดไม่สามารถอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามจะต้องมีวันสิ้นสุดลงจะต้องมีวันตายกัน แต่ใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มาครอบครองร่างกายเพื่อใช้ร่างกายในการหาความสุขต่างๆใช้ร่างกายหาราบยศสรรเสริญใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ก็ใช้ได้ใน ระยะเวลาหนึ่งเพราะพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่สามารถใช้ได้เมื่อไม่สามารถใช้ได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจจนบางครั้งก็ไม่ไม่อยากจะอยู่ต่อไปคนที่มาถึงบ้านปลายของชีวิตไม่อยากจะอยู่มางจะหา วิธีฆ่าตัวตายกันสมัยนี้ก็มีการผลักดันให้มีการฆ่าตัวตายอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือให้ให้แพทย์ช่วยฆ่าตัวตายโดยไม่ผิดกฎหมายเพราะทนอยู่ต่อไปไม่ไหวเพราะว่าไม่สามารถหาความสุขตามความอยากได้นั่นเอง ร่างกายแก่เจ็บตายแต่ความอยากไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายเพราะความอยากอยู่กับใจที่ไม่แก่เจ็บตายใจก็เลยทรมานกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาบยศสรรเสริญแต่ไม่สามารถที่จะหามาเสพได้ เป็นเหมือนคนที่ติดยาเสพติดที่ไม่สามารถเสพยาเสพติดได้ก็จะทุกข์ทรมานจนถึงกับตายไปได้นี่คือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความอยากหาความสุขทางร่างกายความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงเกลื่อนรถที่ทำให้ต้องมาทุกข์ทรมานและต้องพาให้กลับมาเกิดใหม่อีกเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ไม่ตายใจที่ยังมีความอยากอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ตามลำดับหลังจากที่ได้ไปชดใช้บุญชดใช้กรรม ที่ได้ทำเอาไว้ก่อนเมื่อได้ชดใช้บุญใช้กรรมแล้วก็จะมาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาเสพราบยศสรรเสริญมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันใหม่อย่างที่พวกเรากําลังเสพกันอยู่ถ้าเราอยู่ในวัยวัยรุ่นวัยเจริญเติบโตเราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขจาก การมีร่างกายอันนี้เพราะเราสามารถที่จะไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันได้ <Yeah. S 1> แต่พอเราเข้าสู่วัยชราเราเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วย <Yeah. S 1> เรารู้ว่าเราจะต้องตาย <Yeah. S 1> เวลานั้นความสุขต่างๆที่เราเคยได้จากร่างกาย <Yeah. S 1> ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา จนทำให้ไม่อยากจะอยู่อยากจะฆ่าตัวตายถ้าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมแต่ถ้าได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาได้ปฏิบัติบ้างก็จะรู้วิธีดับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือต้องไปปรีกวิเวกไปหาที่สงบ เพื่อที่จะได้เจริญทรรมที่จะมาดับความอยากดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเพื่อใจจะได้ไม่ทุกข์ไม่ทรมานกันแต่บางครั้งมันก็สายเกินไปเพราะมาทาในตอนที่บ้านปลายของชีวิตมันทาให้ทำได้ยากมากเพราะการปฏิบัตินี้มันเป็นการฝืน ความอยากที่มันฝังลึกอยู่ภายในหัวใจที่มันมีกำลังมากถ้าเรามาปฏิบัติในบ้านปลายของชีวิตเราจะไม่มีกำลังสู้มันได้ไม่เหมือนกับตอนที่เรามีกำลังในวัยวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวผู้ที่ต้องการที่จะทำลายความอยากต่างๆจึงบวชกัน ตอนอายุยี่สิบตอนที่ร่างกายยังมีกำลังวังชามีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆไม่ใช่มารอตอนที่ใกล้จะตายแล้วแต่ถ้ามันถึงเวลานั้นจริงๆมันก็ยังไม่ถือว่าสายเกินเกินไปก็ดีกว่าไม่ทำเลยอย่างญาติโยมท่านนี้ที่อายุก็พอสมควรแล้ว ห้าสิบหกสิบขึ้นไปแล้วก็เคยปฏิบัติอยู่แต่ปฏิบัติแบบไม่เข้มข้นปฏิบัติพอหอมปากหอมคอเพราะว่าความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสยังมีอยู่มากก็เลยแบ่งกันไปคนละนิดคนละหน่อยแบ่งไปทางลาบยศสรรเสริญสุขบ้างแบ่งมา การบำเพ็ญจิตตะภาวนาบ้างก็เลยพอมีเชื้อมีอะไรพอที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบคือไปอยู่วัดแล้วก็ไปภาวนาไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาส่วนเวลาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็หมัน่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่อยเปล่่ยควบคุมใจให้ตั้งอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นให้อยู่กับคำวกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับร่างกายให้ดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายให้ดูการกระทําต่างๆของร่างกายในทุกอิริยาบถทุกเวลานาทีไม่ให้ใจไปที่อื่น มให้ใจไปที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ที่ร่างกายตลอดเวลาหรืออยู่ที่พุโทโธตลอดเวลาแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งเป็นสักแต่ว่ารู้ได้แล้วก็จะเกิดอุเบกขาเกิดความสุขใจขึ้นมาที่จะ ทำให้ใจหายทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยจากความที่ร่างกายจะต้องตายไปขณะที่จิตรวมเข้าสู่สมาธิความทุกขที่เกิดจากทางร่างกายนี้จะหายไปใจจะอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่ทรงตัดไว้ว่านาติสันติปรังสุขขังสุขเอิน ที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีนี่คือเป้าหมายแรกของผู้ปฏิบัติคือมุ่งเข้าไปสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ขึ้นมาพอสร้างได้แล้วก็งานขั้นที่สองก็คือให้รักษาไว้เพราะหลังจากที่ออกจากสมาธิมา ถ้าไม่ควบคุมใจปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยากความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขที่ได้รับจากความสงบก็จะหายไปแต่ถ้าใช้สติหรือใช้ปัญญาก็จะสามารถประครับประคองความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้อยู่ต่อไปได้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ให้ใช้สติไปก่อนให้ควบคุมใจต่อไป ออกจากสมาธิมาก็คอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเช่นให้อยู่กับพุทธโธไปหรือให้อยู่กับอิริยาบถของร่างกายอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายไปไม่ส่งใจไปที่อื่นไม่ส่งไปในไปอดีตไม่ส่งไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ ไม่ให้คิดปรุงแต่งก็จะสามารถรักษาความสงบรักษาอุเบกขาได้แต่ก็จะรักษาได้ยากเพราะจะต้องมีเวลาเผลอบ้างพอเผลอไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะยังมีความอยากให้ร่างกายนี้หายมีความอยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายอยู่พอความอยากนี้โผล่ขึ้นมาความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจก็จะผล่ขึ้นมาใหม่ถ้ายัางถ้าสามารถเจริญปัญญาได้ก็พิจารณาร่างกายไปว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เราได้มาจากพ่อจากแม่เป็นของขวัญจากพ่อจากแม่ของขวัญกับ ผู้รับของขวัญนี้จะเป็นคนเดียวกันได้อย่างไรเรารับของขวัญคือเรารับร่างกายมาจากพ่อจากแม่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รับร่างกายเป็นผู้รับของขวัญอันนี้ผู้ที่รับของขวัญก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้มีความหลงมีความอยากที่ไปยึดไปติดกับร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเรานี้นั่นเองเราต้องใช้ปัญญาแยก ตัวรู้ตัวคิดนี้ออกจากร่างกายที่เป็นดินน้ำนมไฟให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำนมไฟไม่ใช่ตัวรู้ตัวคิดตัวรู้ตัวคิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปตัวรู้ตัวคิดก็ยังอยู่ต่อไปตัวรู้ตัวคิดมีปัญหาอยู่ที่ความอยากถ้าไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา ก็จะอยากให้มันไม่ตายอยากให้มันไม่เจ็บถ้ามันเจ็บก็อยากจะให้มันหายเจ็บพอเกิดความอยากความอยากนี้ก็เลยสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่ตัวรู้ตัวคิดนี่เองตัวรู้ตัวคิดจองต้องมาแก้ปัญหาที่ตัวความอยากด้วยการแก้ความเข้าใจผิดที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็อาศัย ความรู้ของพระพุทธเจ้านี้มาสอนใจเราว่าพระพุทธเจ้าทรงคนพบแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นของพ่อของแม่ให้เรามาเป็นของขวัญที่จะต้องจากเราไปเพราะเป็นของชั่วคราวพอมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเแล้อตายไปมันก็กลับคืนสู่ธาตุเดิมของมัน ธาตุน้ำก็กลับไปสู่ธาตุน้ำธาตุลมก็กลับไปสู่ธาตุลมธาตุไฟก็กลับไปสู่ธาตุไฟธาตุดินก็กลับไปสู่ธาตุดินก็ไม่มีร่างกายหลงเหลืออยู่ต่อไปนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางร่างกายเพื่อให้หยุดความอยากไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อจะได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่พอไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะหายไม่หายก็เท่ากันร่างกายจะอยู่หรือจะตายความรู้สึกของใจก็เท่ากันก็คือสงบเพราะได้ปล่อยวางด้วยปัญญา ดังที่ทรงตัดไว้ว่าเตสร้างวูปสมุสโคการปล่อยวางสังขารร่างกายนี้เป็นสุขอย่างยิ่งต้องปล่อยวางด้วยปัญญาสตินี้เพียงแต่ระ ง, งับความคิดความอยากไว้ชั่วคราวเวลาที่สติเผลอไปความคิดความอยากก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าใช้ปัญญา ทำลายความหลงที่เป็นต้นเหตุของความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องจากเราไปเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เมื่อไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปจะคิดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่ทุกข์เพราะจะไม่อยากเพราะรู้ว่าถ้าอยากแล้วทุกข์ก็เลยไม่อยากอยากไปก็ไม่เปลี่ยนความจริงอยากเท่าไหร่ร่างกายก็แก่เจ็บตายเท่าเดิมไม่อยากร่างกายก็แก่เจ็บตายเท่าเดิมต่างกันตรงที่อยากแล้วทุกข์ถ้าไม่อยากเราไม่ทุกข์ จะไม่อยากได้ก็ต้องหยุดใจได้จะต้องทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้แล้วก็สอนใจไม่ให้ไปอยากกับร่างกายไม่ให้ไปยึดติดกับร่างกายต้องแยกออกจากกันปล่อยให้ร่างกายไปตามทางของเขาทางของเขาก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองสนใจก็ไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นที่ไปของใจที่มีปัญญา ที่มีธรรมะที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้พวกเรามาสร้างกันคือมาสร้างศีลสมาธิสร้างปัญญากันเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางสังขารทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่เราจะได้ไปสู่มรรคผลนิพพานกัน ไปยุติการเกิดแก่เจ็บตายกันไปยุติความทุกข์ทั้งหลายกันยุติได้ด้วยการมันพิจารณาอยู่เนืองๆว่าความตายนี้อยู่แค่ปลายจมูกนี้เท่านั้นอยู่เท่านั้นเองคือถ้าไม่หายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นน่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จึงเรียบ ควรจะคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราไปหาแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าเราเป็นโรคมะเร็งดันั้นเราต้องมารีบฝึกหัดรักษาศีลฝึกหัดภาวนากันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนต้องฝึกหัดกันนั่นเองไม่ใช่อยู่ดีๆถึงเวลาก็จะมาทำกันได้เลยถ้าทถึงเวลาทากันได้เลยก็สบาย พอถึงเวลาจะตายก็มาภาวนากันะมาทําใจให้สงบมาทําใจให้ฉลาดมาหยุดความอยากกันแต่มั น, มนทําไม่ได้เมื่อมันถึงเวลานั้นแล้วเพอสภาพของร่างกายมันไม่พร้อมจิตใจก็ไม่พร้อมพอเจอความความตายเจอความเจ็บนี้จิตใจก็จะไม่มีสติสตังจะตั้งหลักไม่ได้จะคิดอะไรไม่ถูก จะมีแต่ความกลัวเพียงอย่างเดียวจะมีแต่ความอยากไม่ตายเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถที่จะมาควบคุมใจทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นหนึ่งแล้วมาสอนใจด้วยปัญญาให้ปล่อยวางร่างกายของเหล่านี้ต้องฝึกต้องซ้อมต้องทำไว้ก่อนเหมือนกับนักศึกษานักเรียนที่จะต้องมันทำการบ้านอยู่เรื่อย ต้องดูหนังสืออยู่เรื่อยๆต้องเข้าห้องเรียนอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเข้าห้องสอบต่อไปถ้าห้องเรียนก็ไม่เข้าการบ้านก็ไม่ทำหัวแต่ไปเที่ยวไปเล่นพอถึงเวลาจะเข้าห้องสอบมันก็ทำข้อสอบไม่ได้จะมาทำจะมาเตรียมตัวในวันสองวันก่อนที่จะสอบนี้มันก็ไม่พอเวลามันไม่พอ ความพร้อมของร่างกายของจิตใจที่จะรับความรู้ต่างๆมันไม่พอมันต้องใช้เวลาซึมซาบเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจึงต้องพยายามปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆรักษาศีลกันไปอยู่เรื่อยๆยเจริญสติกันไปอยู่เรื่อยๆพิจารณาปัญญาไปอยู่เรื่อยๆสลับกันไปถ้าไม่จเจริญสติก็พิจารณาปัญญา ถ้าจเจริญสติก็นั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันต้องพยายามฝึกหัดทำไปเรื่อยๆก่อนถ้ามารอทำเวลาที่ใกล้าตายนี้จะไปไม่รอดจะสอบไม่ผ่านยิงต้องพยายามทำเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าไปเสียดายกับความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเลย เพราะว่ามันเป็นความสุขปรอมและมันเป็นความสุขที่เราจะต้องสูญมันไปในวันใด ว, วันหนึ่งอยู่ดีอยู่แล้วก็ยอมเสียเสียไปแต่วันนี้ไม่ดีกว่าเลยยอมเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายทางตาหูจมูกเิ่นกายทางลาบยศสรรเสริญเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาสร้างความสุขที่เกิดจากการ รักษาศีลเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการเ จ, ากการจริญปัญญาไม่ดีกว่าเลยเราจะได้มีเวลาที่จะได้สร้างความสงบสร้างความสุขทางใจแล้วพอเราไปเจอข้อสอบเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราจะตายเราก็จะทําข้อสอบได้อย่างง่ายได้ถ้าเรามัวแต่ไปหาความสุข ทางลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขทางใจมาหาความสุขจากความสงบที่เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราไม่มีศีลไม่มีภาวนา เราจะไม่สามารถที่จะควบคุมความอยากกำจัดความอยากดับความทุกข์ใจเวลาที่เราไปเจอข้อสอบได้เวลาที่เราไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยที่รักษาไม่หายเจอโรคภัยที่รักษาไม่ได้รู้ว่าจะต้องตายภายในเวลาอันสั้นอันใกล้ตอนนั้นใจจะไม่มีอะไรมาดับความทุกข์ใจได้เลยถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อน เหมือนกับเวลาที่มีไฟไหม้บ้านถ้ามีน้ําเตรียมไว้ก่อนก็จะสามารถดับมันได้ไม่ปล่อยให้มันลามเผาบ้านทั้งหลังแต่ถ้าไม่เตรียมน้ําเตรียมเครื่องดับไฟไว้พอเกิดไฟลุกขึ้นมาก็จะดับไม่ทันเราควรจะเตรียมตัวกันไว้แต่นั่นนนเพราะเราไม่รู้ว่าความแก่ความเจ็บ เราไม่รู้ว่าความเจ็บความตายจะมาเมื่ อ, อไรความแก่นี้เราอาจจะรู้เพราะมันมีเวลาบอกว่าจะแก่เมื่ออายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแต่โครคภัยไข้เจ็บกับความตายนี้มันไม่มีเวลาตายตัวมันได้มันมาได้กับทุกเพศทุกวัยมากับเด็กก็ได้มากับผู้ใหญ่ก็ได้มากับคนแก่คนชราก็ได้เราจึงต้องไม่ประมาทกัน ยังต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเตรียมรับกับสถานการณ์เตรียมน้ำดับไฟที่จะมาเผาผลาญจิตใจของเราคือความอยากต่างๆความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายด้วยการมาปฏิบัติธรรมกันด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะการปฏิบัติจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องมีการได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อน ถ้ายังไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติไปก็อาจจะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกแล้วผลที่จะได้รับก็จะไม่เกิดต้องศึกษาวิธีปฏิบัติว่าการรักษาศีลต้องรักษาอย่างไรต้องรักษากี่ข้อรักษามากน้อยเพียงไรการเจริญสติเจริญอย่างไรการนั่งสมาธินั่งกันอย่างไร การพิจารณาพิจารณากันอย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญาพิจารณาตอนไหนเวลาไหนเรื่องราวเหล่านี้เราต้องเข้าใจก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติมันก็จะไม่ได้ผลเช่นคนบางคนวออยากจะนั่งสมาธิก็นั่งเลยนั่งโดยที่ไม่มีอะไรมาควบคุมใจนั่งหลับตาไปอาจจะควบคุมมีอะไรควบคุมอยู่สองสามวินาทีพุทโธไปสองสามวินาทีแล้วก็หยุด แล้วก็ปล่อยให้ใจผลิตอะไรต่างๆให้ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นแล้วก็คิดว่านี่คือผลของกิการปฏิบัติคิดว่าได้บรรลุธรรมแล้วพอเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้แล้วอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความหลงผิดเพราะการนั่งสมาธิก็เพื่อให้ใจสงบให้ใจมีความสุขจากความสงบ เพื่อที่จะได้เอาความสงบเอาความสุขนี้มาสู้กับความอยากต่างๆเพราะเวลาท่าใจไม่มีความสุขพอมีความอยากก็ต้องไปทำตามความอยากเพราะคิดว่าทำความยะทตามความอยากแล้วจะได้ความสุขนั่นเองแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่จะต้องหามาอยู่เรื่อยๆต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาที่หาไม่ได้เวลาที่เสพไม่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปอันนี้ไม่ใช่วิธีที่จะหาความสุขกันไม่ใช่วิธีดับความทุกข์กันวิธีดับความทุกข์ต้องใช้อุบเบกขาใช้ความสงบของใจมาสู้กับความอยากแล้วก็ใช้ปัญญามาสอนให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าเป็นการไปทํา ไปสร้างความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการไปสร้างความสุขกันความสุขก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแต่ความทุกข์ก็เหมือนกับเบ็ดที่ที่เกี่ยวปากปลานี่เองมันต่างกันมากความสุขจากเหยื่อชิ้นเล็กๆกับความทุกข์ที่เกิดจากเกี่ยวไปเติดกับปากของปลามันเจ็บมากมันทรมานมาก คนที่ฉลาดคนทีมน่มีปัญญาก็จะไม่หุบเหยือ่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเพราะรู้ว่าหุบไปแล้วได้ความสุขนิดเดียวแต่จะได้ความทรมานอย่างมากความทุกข์อย่างมากชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเราไปทำตามความอยากเพื่อให้เกิดความสุขเราจะได้ความสุขนิดเดียวแล้วเราจะได้ความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ตามมาเพราะเวลาที่ความสุขที่เราได้มาหายไป ถ้าเราอยากจะได้เพิ่มแล้วไม่สามารถหามาใหม่ได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปหรือสิ่งที่เราให้ความสุขกับเราเกิดจากเราไป<ม>เราก็จะเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามาทามาทรมานใจของพวกเรา<ม>นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นโทษของการไปทำตามความอยากว่าไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์ วิธีที่จะไปหาความสุขก็คือกลับมาอยู่ที่อุเบกขากลับมาอยู่ที่ความสงบอย่าไปทําตามความอยากพอฝืนความอยากได้พอความอยากดับไประ ง, งับไปความสงบก็จะกลับมาความสบายใจก็จะกลับขึ้นมานี่คือเรื่องของการสร้างประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเรามาสร้างกัน ให้มาสร้างความสงบให้มาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ด้วยการบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เตือนใจสอนใจว่าความตายนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีจะเกิดจากเหตุอะไรก็ได้มีหลากหลายสาเหตุด้วยการที่จะทำให้คนเราตายกันได้ งั้อย่าประมาทนอนใจอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่ให้คิดว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้เรามีเพียงวันนี้ขณะ น, นี้เอามาใช้ประโยชน์กันดีกว่าเอามาใช้ประโยชน์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้กันก็คือให้มาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีสร้างประโยชน์ที่สําคัญนี้ก็คือการมา การรักษาศีลการเจริญสติการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานี้นี่คือธรรมที่เราจะเป็นจะต้องสร้างกันขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีธรรมเหล่านี้นั่นเองถ้ามีธรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีความทุกข์เราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปวิ่งเต้นไปหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเรา ที่สู้ความสุขที่มีอยู่ในใจของเราไม่ได้ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองนี่คือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะจากพวกเราไปเพื่อให้เรามีสติสตังไม่ให้เราหลงให้เราลืมไม่ให้เราไปคิดว่าเราจะอยู่กันไปเรื่อยๆ ไม่ให้เราคิดว่าเราจะไปอยู่ถึงอายุ90กันเพราะว่าคนที่เขาไม่อยู่ถึงอายุ90นี้มีมากมายมากกว่าคนที่อยู่ถึงอายุ90แล้วเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนนั้นที่ไม่อยู่ถึงอายุ90ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้รู้สึกว่าเวลาของเราตอนนี้มีน้อยอยู่รีบใช้เวลาที่เหลือน้อยอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดีกว่า อย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขปลอมเลยได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปเราไม่สามารถหามาได้ใหม่ก็กลายเป็นความทุกข์ไปให้มาหาความสุขที่จะเป็นความสุขแท้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนี้จะอยู่กับเราไปตลอดจะคุ้มครองรักษาใจของเรา ให้อยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ไปตลอดแล้วหลังจากที่เราได้ทำภารกิจของเราสำเร็จแล้วยังประโยชน์ของเราได้สำเร็จแล้วถ้าเรามีเวลาเหลือเราก็ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปไปสั่งสอนผู้อื่นให้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วพอเขาได้ยินได้ฟังเขารู้เขานำเอาไปปฏิบัติ เขาก็จะได้ผลอย่างที่เราได้ปฏิบัติแล้วเขาก็จะได้ไปทำประโยชน์ต่อกันไปเหมือนกับการจุดเทียนคนจุดเทียนดอกแรกพอจุดเทียนเสร็จแล้วคนที่ยังไม่ได้จุดก็มามาจุดจากไฟของเทียนดอกแรกพอเทียนติดแล้วก็เอาไปให้คนอื่นจุดต่อกันถ้าไม่มีคนแรกจุดเทียนเทียนจะมีกี่ร้อยล้านดอกก็ไม่สามารถ จุดขึ้นมาได้เพราะไม่มีไฟแต่พอมีไฟเกิดขึ้นจากเทียนดอกหนึ่งแล้วเทียนดอกทั้งหลายก็สามารถที่จะมาต่อมาจุดต่อกันได้นี่คือลักษณะของประโยชน์ที่พระพจทาเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาคือแสงสว่างแห่งธรรมพระองค์ทรงจุดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาภายในพระทัยของพระองค์แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เอามาแบ่งปัน ถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็คือเอามาแชร์กันแชร์แสงสว่างกันทรงแสดงธรรมการแสดงธรรมนี้แหละเป็นการจุดแสงสว่างให้แก่จิตใจของผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ฟังธรรมก็จะได้แสงสว่างเพื่อจะได้นําเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างให้แสงสว่างที่ได้จากพระพุทธเจ้านี้อยู่ต่อไปอย่างถาวอนแล้วก็จะ แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาในเบื้องต้นพระองค์ก็ส่งยังประโยชน์ของพระองค์ให้ถึงพร้อมกันด้วยการบาเพ็ญอยู่ถึงหกปีด้วยกันไม่เคยไปสอนไปสั่งใครเลยมีแต่ศึกษามีแต่ปฏิบัติหาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์หาวิธีสร้างแสงสว่าง แห่งทำให้ปรากฏขึ้นมาในพระไตรของพระ อ, องค์พอพระ อ, องค์ได้ทําสำเร็จแล้วเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตก็อุทิศให้กับการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นทรงใช้เวลาถึง45ปีทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทรงใช้เวลาเพียง6ปีเป็นการใช้ประโยชน์ของตนเองแล้วยังมีคนมาว่าว่าพระ อ, องค์นี้เป็นคนเห็นแก่ตัว ก็เป็นว่าแบบคนตาบอดว่าไปก็แสดงความโง่เขลาของตนเองขึ้นมาเนี่ยนี้เป็นอุบายของกิเลส ท, ที่จะพยายามที่จะดึงไม่ให้เราไปปฏิบัติธรรมกันพอเราจะไปปฏิบัติธรรมกันนี่จะมีคำรู้สึกขึ้นมาว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแต่เวลาไปเที่ยวกับกิเลสนี่มันไม่มีความถามนิโผล่ขึ้นมาเลยว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่า นี่แหละคือปัญหาของพวกเราที่ทำให้พวกเรานี้ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมกันได้เพราะสู้ปัญญาของกิเลสไม่ได้กิเลสนี้มันเหนือชั้นมันเหนือเราเวลาที่เราจะไปปฏิบัติธรรมนี้มันจะมีข้ออ้างข้อแอบอะไรต่างๆมากมายแต่เวลาไปเที่ยวกับมันนี้ไม่มีเลยแม้แต่ข้อเดียวมีแต่ไปอย่างเดียว ขอให้เราจำไว้ว่าการไปปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้เป็นการกระทาที่เห็นแก่ตัวเป็นการกระทาที่เสียสละอย่างแท้จริงเสียสละความสุขทางโลกเพื่อมาสร้างความสุขทางธรรมเมื่อได้สร้างความสุขทางธรรมแล้วก็เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปมันเป็นการเห็นแก่ตัวที่ตรงไหนเราต้องคิดอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่จะคอย สกัดกัน้นการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพุทธทังสระนังกะชามิดูพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างสังคั ง, งสระนังกะชามิว่าท่านทาน ท, านท่านบาเพ็ญยนกันอย่างไรทำไมท่านถึงไปได้ทำไมเราถึงไปไม่ได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะมีกําลังใจแล้วเราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ที่ก่อยกีดขวางไม่ให้เราไปสู่การปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระลึกถึงความตายตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะทำลายอุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นได้หมดเลยถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายนีรับรองได้ว่าจะรีบเข้าวัดกันทันทีไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ ถ้าเข้าวัดแล้วมันจะดับความทุกข์ทรมานใจได้มันจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มันจะทำให้ใจของเราสุขจะทำให้ใจของเราไม่เดือดร้อนกับความตายที่จะตามมานี่คือพระปัิชิมโมว่าของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนลดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญห า, าท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย พราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมเราจะขออนุ ญ, ญาตไม่ตอบคำถามถ้ามีใครถามก็ขอให้ถามในช่วงนี้เพราะถ้าเลิกแล้วก็ถือว่าเลิกถ้าไม่เลิกก็ตอบถ้าเลิกแล้วก็ไม่ตอบดังนนตอนนี้ยังไม่เลิกใครอยากจะถามถามเลยจะตอบทุกคำถามที่จะตอบได้ถ้าไม่มีใครถามตอนนี้ก็จะให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านส่งคำถามเข้ามาถาม โดยให้พิธีกรนำมามาอ่านคําถามจากทางบ้านจากแม่ชีกัลยาเมื่อหลายเดือนก่อนนั่งสมาธิแล้วอยู่ๆมีคําพูดผุดขึ้นมาว่าทางทางนี้ไม่มีอะไรนะก็เลยพิจารณาว่าการปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพื่ออะไรไม่ได้อะไรใจมันก็เบาสบายกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลามีคําพูดหรือความคิด ที่เป็นลักษณะนี้ขึ้นมาจะมีวิธีตรวจสอบวิธีเลือกเฟ้นไหมคะว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์คะก็ไปทดลองดูเหมือนคนเขาให้ของเรามาเราก็ลองไปใช้ดูถ้ า, าไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ก็ใช้ไปถ้าใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็โยนทิ้งไปมีคนเขาให้ของเรามาเราก็เปิดดูเของนี้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ก็ลองไปใช้ดู ใช้ได้ดีก็ใช้ไปถ้าใช้แล้วไม่ได้เรื่องก็เลิกใช้ไปก็มีเท่านั้นคือพระเจ้าสอนในการรามาสูตรว่าอย่าให้เชื่อสิ่งที่เราพบเราเห็นเราได้ยินให้เรามาเอาไปพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ว่าดีจริงหรือไม่ถ้าดีจริงก็เอาไปใช้ถ้าไม่ดีจริงก็โยนทิ้งไปคำถามจากคุณรัตนาสองวันที่ผ่านมา ไปงานโพน้องชายเพื่อนได้คุยกับเพื่อนก็ปลอบเขาบอกว่าชีวิตไม่แน่นอนเราจะตายเมื่อไรก็ไม่สามารถรู้ได้จิตเรารู้ว่าทุกทุกอย่างไม่เที่ยงแต่หลังจากกลับมาจากงานโพททำไมจิตใจถึงวิตกกังวลจนกลัวคะได้แต่ตั้งสติบอกตัวเองว่ากลัวทำไมเราต้องอยู่กับปัจจุบันจิตแบบนี้เป็นเพราะอะไรคะ พราะจิตเรายัางไม่ยังไม่ยังไม่มั่นคงด้วยสติด้วยปัญญานั่นเองสติเราปัญญาเราบางทียังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ช่วงใดมีสติมีปัญญาช่วงนั้นก็ไม่หวั่นไหวพอช่วงใดอ่อนสติอ่อนปัญญาขึ้นมามันก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นมาได้คําถามจากคุณซูซี่ผ้าไตรจีวอนที่ถวายในบุญกะถิน สามารถระบุชื่อพระสงฆ์ได้ไหมคะเนื่องจากไปอ่านเจอว่าต้องเป็นสังฆทานที่ไม่ระบุผู้รับถ้าระบุแล้วจะได้บุญต่างกันอย่างไรคะาการถวายผ้ากฐินนี้เป็นเป็นพระวินัยที่ให้ให้ถวายให้กับส่วนรวมไม่ให้ถวายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วให้สงนําไปพิจารณาว่าจะควรที่จะมอบให้กับภาพรูปใด ลูกใดที่มีบารมีหรือมีความจําเป็นขาดแคลนผ้าเนี่ยก็จะสง์ก็จะเป็นผู้พิจารณาไปอันนี้เป็นการสอนให้ญาติโยมสนับสนุนองค์กรไม่สนับสนุนบุคคลเพราะถ้าไปสนับสนุนบุคคลเวลาบุคคลนั้นตายไปก็จะก็จะหมดไปแต่ถ้าสนับสนุนองค์กรนี้ ถ้าคนในองค์กรตายไปคนใดคนหนึ่งองค์กรยังไม่หมดไปว่ามีตัวตายตัวแทนอยู่กันต่อไปถ้าสมมติว่าเราไปถวายให้กับพระรูปที่เราเคารพเรารักมีชื่อมีเสียงทุกคนไปวัดก็ไปถวายแต่องค์นี้แล้วพระรูปอื่นไม่มีใครถวายอะไรพระรูปอื่นเขาก็จะอยู่กันไม่ได้เขาก็ตั้งลาศิกขาลาเพศไปว่ามีแต่พระรูปนี้ รูปเดียวที่ได้รับข้าวขอ ง, งต่างๆได้แล้วท่านก็ไม่แบ่งให้ใครท่านก็เก็บไว้ของท่านอย่างนี้ก็เวลาท่านตายไปก็จบไม่มีใครจะมาทําหน้าที่แทนท่านได้แต่ถ้ามอบให้กับส่วนกลางให้กับสงฆ์เนี่ยให้กับองค์กรก็เวลาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นหัวหน้าตายไป คนอื่นที่เป็นรองก็จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าต่อไปทำหน้าที่แทนกันได้สืบทอดองค์กรสืบทอดพระธรรมคำสอนต่อไปได้อย่นที่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จกลับไปเยี่ยมที่พระราชวังพระพุทธมารดาเลี้ยงก็ตัดผ้าจีวรจะถวายให้พระพุทธเจ้าเจาะจงถวายให้แต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยใช้โอกาสนั้นสอนว่า เธอไปถวายเป็นสังฆทานดีกว่าอย่ามาถวายให้กับเราเลยเพราะเราอยู่เพียงไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วแต่ถ้าเธอถวายให้กับสงนี้สงจะอยู่ไปได้นานสำหรับพุทธศาสนานี้พระ อ, องค์ทรงตรัสว่าจะอยู่ไปได้ถึงห้า0ันปีถ้ามีการทำนุบบำรุงให้กับสงถ้าทำนุบบำรุงให้กับเราเราอยู่แค่แปดสิบเราก็ไปแล้ว ศาสนาก็จะจบตรงตอนที่เราตายนี่คือเหตุผลของการถวายของให้เป็นสังฆทานส่วนผู้รับนี้ผู้ให้นี้ได้บุญเหมือนกันจ ะ, จะให้กับคนหนึ่งหรือจะให้กับองค์กรให้กับสงฆ์ผู้ที่บริจาคทรัพย์นั้นบริจาคผ้านั้นได้บุญเท่ากันไม่ว่าจะให้กับพระรูปเดียวหรือให้กับองค์กรแต่ประโยชน์ที่จะตามมาต่างกัน ประโยชน์ที่เกิดจากการไปสนับสนุนบุคคลหนึ่งกับบุกับศาสนากับการสนับสนุนองค์กรนี้ประโยชน์ต่างกันสนับสนุนบุคคลเดียวเวลาบุคคลนั้นตายไปก็ไม่มีอะไรมาสืบทอดต่อแต่ถ้าสนับสนุนองค์กรเชคคือสง์นี่แปลว่าองค์กรสงก็คือพระสงฆ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่แหละความหมายที่แท้จริงก็คือพระสงฆ์ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่เป็นพระสงฆ์ เป็นสงแล้วผ้าที่ถวายให้กับสงนี้ผ้าสง์ทุกรูปในพระพุทธศาสนานี้มีสิทธิ์ที่จะรับเอาไปใช้ได้ถ้ามีการพิจารณาจากสงแล้วว่าควรจะให้กับผู้ใดที่ให้ทําอย่างนี้เพราะว่าสมัยก่อนผ้าหายากเวลาถวายผ้าอาจจะไม่สามารถถวายให้กับพระทุกรูปได้อาจจะถวายได้ให้กับได้รูปเดียวอย่นก็เลยต้องให้สงไปจัดการ จับฉลากรันเอาก็แล้วกันว่าใครใครดวงดีใครบุญดีใครว่าสนาดีก็เอาไปอแต่พระท่านไม่จับฉลากรันท่านใช้เหตุใช้ผลกันท่านดูว่าจีวรของใคร เ, เก่ามากกว่ากันขาดมากกว่ากันองค์ไหนมีจีวรที่กาดขาดมากกว่าก็เอาเอาผ้าใหม่นี้ไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็มีอีกวิธีหนึ่งคือเขาจะให้กับพระผู้ใหญ่ แล้วพระผู้ใหญ่ที่มีจีวรเก่าที่ยังดีอยู่ก็มอบให้กับพระที่มีจีวรเก่าที่ที่ไม่ดีเท่ากับจีวรของพระเถระนั้นก็เปลี่ยนกันไปถ่ายกันไปตามลําดับจนถึง อ, อ, องค์สุดท้ายนั่นแหละองค์ไหนเก่าที่สุดก็จะได้เก่าน้อยหน่อยอันนี้ก็เป็นวิธีที่พระสงฆ์จะดูแลกันเกี่ยวกับเรื่อง เ, ออเรื่องปัจจัยสี่ อาหารบินทบายก็เหมือนกันท่านก็นั่งตามลาดับพรนษาแล้วท่านก็ให้พระอาวุโสเป็นผู้พิจารณาอาหารก่อนตา ก, ก่อนแล้วก็เลื่อนให้กับพระรองลงไปตามลาดับนี่คือวิธีการของการอยู่ร่วมกันของสงฆ์อยู่เพื่อแบ่งปันอยู่เพื่อช่วยเหลือกันดูแลกันไม่ได้อยู่เพื่อตัวใครตัวมันอย่าไปคิดว่านี่เป็นอัตตาหิตอัตโนนาโถอันนี้ใช้ไม่ได้ หลักการนี้ใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องต้องแบ่งปันกันต้องแชร์กันแต่เรื่องอัตตาหิอัตโนานาโถนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัตินอันนี้ตัวใครตัวมันใครปฏิบัติใครก็ได้ใครไม่ปฏิบัติใครก็ไม่ได้แต่เรื่องของการอยู่ร่วมกันนี่ต้องแบ่งปันกันต้องดูแลกันต้องช่วยเหลือกันเช่นมีครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านป่วยมากแต่ไม่มีใครไปดูแล พาท่านอาจจะเป็นพระที่ไม่ป๊อปปูล่าไม่มีใครเขาอยากจะ เ, เข้าไปายุ่งเกี่ยวด้วยป่วยก็ปล่อยให้นอนป่วยไปไม่มีใครไปดูแลพระพุทธเจ้าทรงทราบกันก็เลยบอกให้พระอนุนไปเอาต้มน้ำร้อนมาแล้วก็เอาน้ำร้อนนี้ไปที่พระไปเอาผ้าไปชุบน้ำร้อนนี้แล้วก็มาเช็ดตัวพระนี่เพราะไม่มีใครดูแล พระพุทธเจ้าถือว่าพระทุกลูกนี้เป็นเหมือนลูกของท่านเมื่อไม่มีใครดูแลพ่อก็ต้องดูแลลูกแล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าถ้าใครอยากจะดูแลเรารักษาเราก็ให้ไปรักษาพระป่วยพระอาพาธนี่คืออุบายของวิ ธ, ธีของพระเจ้าที่จะสอนให้ญาติโยมไม่ไปยึดติดกับตัวพระเถระพระผู้ใหญ่เพียงองค์เดียว จนกระทั่งลืมพระเล็กพระน้อยที่ต่อไปจะต้องเป็นพระผู้ใหญ่ต่อไปแต่ถ้าพระเล็กพระน้อยไม่ได้รับการดูแลก็อาจจะอยู่ไปไม่ถึงเป็นพระผู้ใหญ่ก็จะตายไปก่อนเลืกิกขาลาเพศไปก็จะไม่มีพระมาสืบทอดพระพุทธศาสนากันนี่คือเรื่องของความหมายของการดูแลสงฆ์การถวายของให้แก่สงฆ์เป็นสังกทานไม่ให้ถวายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด คำถามจากคุณทีรัฐหากเราใช้คําบริกรรมพุโทโธในการภาวนาหากจิตสงบลงคําบริกรรมจะหายไปไหมครับแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าคําบริกรรมหายไปเราควรพุโทโธใหม่ไหมครับมันมีหายอย่างสองได้หลายหลายวิธีหายเพราะเราขี้เกียจภาวนาเราขี้เกียจพุโทโธแล้วก็หยุดไปแต่จิตก็ยังไม่รวมไม่สงบอันนี้ก็ ต้องพุทโธต่อไปถ้ายังไม่รวมไม่สงบถ้ามันรวมมันสงบจริงๆนี่มันจะหายไปมันจะเพราะทุกอย่างมันจะนิ่งหมดความคิดปรุงแต่งมันจะนิ่งก็พุทก็พุทโธไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดพุทโธแล้วยังคิดนู่นคิดนี่ได้อยู่ก็แสดงว่ายัางไม่สงบเราก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่อย่าปล่อยให้ไปคิดนั่นคิดนี่เพราะถ้าปล่อยให้คิดนั่นคิดนี่ไปแล้วมันก็จะไม่สงบคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม หลานชายจะผูกคอตายเมื่อคืนนี้แต่แม่ไปช่วยไว้ทันเหตุเพราะเสียใจอกห่างจากผู้หญิงทิ้งไปค่ะเขาบอกจะฆ่าตัวตายไม่เกิน25สห้านี้แน่นอนโยมขอคำแนะนำจะมีท ร, รมะข้อใดดึงสติเขากลับมาได้คะพื้นฐานชีวิตเขาพ่อแม่แยกทางกันพ่อเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้อยู่กับปู่ย่าค่ะ ก็บอกก็ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้อย่าไปยึดอย่าไปติดสิ่งใดที่เรามีอาจจะจากเราไปได้ทุกเวลานาทีถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะไม่เสีย อ, อกเสียใจไม่เสียหลักถ้าเราไม่เราไม่รู้ล่วงหน้าเราคิดว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดพอเขาจากเราไปเราก็จะทำใจไม่ได้เพราะเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปแต่ถ้าเขาไปแล้วถ้าเรามาทำใจได้ว่าไปก็ไป เขาไปแล้วเราก็ยังอยู่ต่อได้แล้วก็หาใหม่ได้คนโลกนี้ไม่ใช่มีผู้หญิงคนนี้คนเดียวอโลกนี้มีผู้หญิงอีกครึ่งหนึ่งผู้ชายมีครึ่งหนึ่งผู้ชายมีผู้หญิงก็มีอีกครึ่งหนึ่งถ้าโลกนี้มีเจ็ดพันล้านก็ยังมีผู้หญิงต้องสามพันสามพันห้าร้อยล้านให้เราเลือกได้อยู่จะเป็กังวลอะไรกับผู้หญิงคนเดียวหรือผู้ชายคนเดียวใช่ไหมไปก็ไปเสียหาใหม่ก็ได้ถ้ายังอยากจะหาอยู่ แต่ถ้าเข็ดก็อย่าไปหาเลยไปบวช ด, ดีกว่าไปอยู่แบบไม่มีแฟนดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียใจคำถามจากคุณแนนอาจารย์ที่ช่วยเหลือให้ครอบครัวดีฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่แลกกับสามีต้องไปทำงานไกลกลับมาไทยได้ปีละหกเดือนระหว่างอยู่ไทยอาจารย์นี้ชอบชวนสามีดีฉันไปโน่นมานี่ตลอด ท่านอ้างว่าอยากให้สามีได้พักผ่อนแต่ไม่เอาครอบครัวไปด้วยท่านอายุหกสิบแล้วค่ะทำให้ครอบครัวดิฉันอยู่ด้วยกันแค่ห้าเดือนดิฉันเกิดความโกรธขึ้นในใจตอนนี้ดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะว่าควรใช้หลักทำข้อไหนที่ทำให้ใจไม่ยึดติดและไม่เป็นทุกข์ทั้งๆ ท, ที่ดิฉันมีเครื่องมือทุกเครื่องมือทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนา แต่ดิฉันไม่สามารถสร้างบ้านได้เลยและแถมจะทำลายเสียด้วยซ้ำไปดิฉันควรจะนำทำข้อไหนมาพิจารณาคะก็อนัตตาง่ายเขาไม่ใช่ของเราสเปธมานัตตาสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอดงนั้นเราก็ต้องทำใจเวลาเขาไม่อยู่กับเราก็ถือว่าเขาไม่ได้เป็นของเรา คิดว่าเป็นของยืมเข้ามาก็แล้วกันเมื่อยืมมาแล้วก็ต้องคืนเจ้าของเขาเวลาเจ้าของก็มาทวงคืนก็จะไปเก็บเอาไว้ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแล้วเราก็จะไม่เสียใจแล้วถ้าดีฉันอธิบายให้ท่านทราบว่าไม่ต้องการให้ท่านชวนสามีดีฉันไปไหนมาไหนจะเป็นการเหมือนไม่รู้จักบุญคุณหรือไม่คะ อันนั้นก็เป็นไม่เห็นนั้นัดตายกับไม่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขามาชวนสามีไม่ได้เราอยากจะทำอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้<ม>ก็ปล่อยเขาทำไปเราห้ามใจเราได้ทำไมไม่ห้ามใจเราห้ามใจเราไม่ให้ไปยึดติดกับใครเราก็จะสบาย<ม>ปัญหาอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เขาก็ต้องทาไปตามภาษาของเขา เขอยากจะชวนใครเขาก็ฉกชวนไปถ้าสามีเราไม่อยากจะไปต่อให้เทวดามาชวนเขาก็ไม่ไปเราอาจจะเป็นเหตุทําให้เขาอยากไปก็ได้เพราะอยู่เขาอยู่ใกล้เราแล้วเขาําคานเขาอยากจะไปทำไมไม่ทําตัวร้าให้เขาอยากอยู่กับเราเราที่เขาลาคานก็เพราะเราไปยึดไปติดไปครอบครองเขาไปเหมือนกับว่าไปเป็นเจ้าของเขาเขาก็เลยรู้สึกอึดอัดทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีอิสรภาพในตัวเขา เขาก็เลยไม่อยากจะอยู่ใกล้เราทําไมเราไม่ปล่อยให้เขาอยู่ตามอัธยารัยเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปเขาอยากจะนอนเขาอยากจะกินเขาอยากจะเล่นอะไรก็ปล่อยเขาทาไปแล้วเขาจะทําให้อยากจะอยู่กับเราเพราะอยู่กับเราแล้วมีความสุขแต่ถ้าเราอยู่กับเราแล้วมีความทุกข์อยู่ทําอะไรก็โดนเขาว่าทําอะไรก็ว่าเขาเขาจะทําแม่นี่หน่อยก็ว่าเขาจะทําแม่นู่นหน่อยก็ว่าเขาเรียกเขามาใชัก็ทํานู่นทํานี่ เคำ ถ, ถามจากคุณชนิดาภาทำไมตัวดิฉันเมื่อวัยเด็กจึงสามารถเห็นคนหน้าตาเป็นเสือตัวเป็นคนถึงสามตนพร้อมกับลิงขาวลิงดามันเป็นปมในใจในวัยเด็กเรามีกรรมอันใดหรือไม่คะก็เป็นเรื่องของเราเราไปเห็นก็เห็นแ่นั้นเอง เห็นเราเราอย่าไปคิดอะไรกับมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไร อ, อ่าทรงมาทางทางอินเทอร์เน็ตทาง facebook ใครอยากจะถามว่าขึ้นมาถามได้น ะ, ะแต่เดี๋ยวเลิกประชุมแล้วอย่ามานะตอนนี้มาได้พอเลิกประชุมนี้ไลน์มักจะมาทุกทีเลยครับคำถามจากคุณไอดินนะครับ เมื่อบรรู้ธรรมเป็นโสดาบันแล้วที่เป็นคารวาสแล้วแล้วต่อไปควรจะเร่งความเพียรจนถึงพระอนาคามีควรจะเร่งความเพียรในหน้าไหนต่อครับอยากทราบเห็นในเพจกับเว็บพูดแต่อยากทราบจากครูบาอาจารย์ก็นั่นแหละมันอยากทราบมันไม่ทํามันก็เลยอยากทราบอยู่นั่นแนหะทําแล้วมันก็จะไม่อยากทราบ ทำแล้วมันก็จะทราบเองงั้นก็อย่าไปทราบเลยอย่าไปอยากทราบเลยทําดีกว่าขอให้อยากทําดีกว่าถ้าอยากทำแล้วมันทําได้นะมันก็จะทราบเองว่าจะทําอะไรต่อไปบอกไปเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็อยากทราบใหม่คาถามจะคุณปัตมานะครับผู้สูงอายุนอนไม่หลับควรปฏิบัติตัวอย่างไรและใช้ธรรมะข้อไหนปฏิบัติคะ ก็ฝึกพุโทโธไปเวลานอนก็พุโทโธพุธโทโธไปหรือดูลมหายใจไปอย่าป่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่นอนไม่หลับเพราะใจมันฟุง้งซ่านวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นอนก็เลยนอนไม่หลับคําถามจะคุณพิไพลพรทํายังไงจิตมันถึงสงบยากจังคะมักส่งไปข้างนอก โดยไม่รู้ตัวพอรู้อีกทีมันออกไปคิดเรื่องอื่นแล้วเพราะเราไม่คอยดึงมันไว้นั่นเองเราจะมาดึงไว้แต่เฉพาะเวลานั่งไม่ได้มันกำลังไม่พอต้องหัดดึงมันไว้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ดึงมันไว้อยู่กับพุทโธอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นพุทโธพุทโธไปอาบน้าก็พุทโธกินข้าวก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธ ท, ทาอะไรก็พุทโธไป เดี๋ยวเวลามานั่งมันก็จะอยู่กับพุโทโธเองคถามจะคุณปุ๊กนะครับทําไมชาวพุทธถึงไม่ยอมรับกับความตายบางคนถึงกับยอมว่าขอให้มีร่างกายอยู่ก็พอแล้วไม่ใช่แต่ชาวพุทธหรอกชาวโลกก็เหมือนกันทุกคนแหะชาวพุทธบางคนเขาก็ยอมรับความตายก็มีมันไม่ได้อยู่ว่าเป็นชาวพุทธหรือชาวพุทธหรือชาวอะไรหรอก แต่ละคนนี่มันมีสติปัญญาไม่เท่ากันคนที่มีสติปัญญาเขาเห็นความตายว่าเป็นความจริงเขายอมรับกันได้ก็มีเยอะแยะไปทั้งชาวพุทธทั้งชาวคริสต์ชัางชาวอะไรต่างๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพุทธหรือเป็นอะไรแล้วมันอยู่ที่ว่ามีสติมีปัญญาในใจหรือเปล่าถ้ามีสติมีปัญญาก็จะยอมรับความตายกันได้คาถามจากคุณนัชนกนะครับ ลูกอยากทราบว่าหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการละความอยากอย่างหนึ่งไหมคะก็เป็นการละความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งพุ่มเฟือยต่างๆซึ่งเป็นความอยากซึ่งเป็นความสุขแบบยาเสพติดสู้ยาไปเสพมันดีกว่าเสพแล้วมันจะทำให้เราติดแล้วทำให้เราจะต้องเสพอยู่เรื่อยเวลาที่เราไม่มีปัญญาเสพมันก็จะทำให้เราทุกข์ให้เรามา เสพกับความสุขที่ไม่ต้องอใช้เงินใช้ทองใช้สิ่งต่างๆดีกว่าคือมาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบกันโดยการไปวดัดไปนั่งนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความฉลาดเพื่อใจจะได้สงบใจจะได้มีความสุขดีกว่าไปหาเงินหาทองแล้วก็ไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มไปเล่นกัน เพราะว่ามันเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วพอเงินหมดก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องไปหาใหม่หามาเท่าไหร่ก็จะเป็นเหมือนกันกลับมาแล้วก็หมดใช้ไปแล้วก็หมดหมดแล้วก็ต้องหาใหม่พอหาไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยฉั้นให้หาเฉพาะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พออันนี้จำเป็นจะต้องมีร่างกายต้องมีปัจจัยสี่มาเลี้ยงมาดูแลเรียกว่าพอเพียง ให้เรามีปัจจัยสี่พอเพียงก็พอแล้วเราไม่ต้องไปหามให้มันวุ่นวายไปมากไปกว่า น, นั้นเอามาเอาเวลามาหาความสุขทางใจไปอยู่วัดกันดีกว่าไปปฏิบัติธรรมกันดีกว่าคำถามจากคุณซอน้นยนะครับบรรพบุพรุษที่ตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้จัดของตั้งโต๊ะไหวแต่เราสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้แทนเขาจะได้รับบุญไหมคะ ไม่ได้หรอกมันก็ต้องทําบุญแล้วอุทิศบุญไปเท่านั้นถึงจะได้การสวดมนต์นี้ยังไม่ทําให้เราจิตรวมเป็นสมาธิที่จะส่งบุญไปให้เขาได้เราต้องทําบุญทําบุญใส่บาตรหรือทําบุญบอยจากให้กับปอเต๊งทําให้กับถ้าเราเป็นชาวจีนแล้วก็ไปทํากับโรงเจก็ได้บรอจากเงินให้โลงเจไปแล้วเราก็จะได้บุญ แล้วเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงลับแล้วไปได้คําถามจากคุณยานเกียรตินะครับการทําบุญใส่บาตรให้กับผู้สูเสียชีวิตบางครั้งบางคนที่เราทําไปไม่ถึงใช่ไหมครับถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาถึงจะได้ใช่ไหมครับไม่ถึงเหมือนกัน เ, ร, เรานั่งยังไม่ได้ผลมันจะได้ถึงไง หมือนปลูกต้นไม้ยังไม่มีผลออกมาแล้วเราจะาผลที่ไหนไปให้เขามันต้องปลูกต้นไม้จนกระทั่งมันออกดอกออกผลเาถึงจะสามารถเอาผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ไปให้เขาได้แต่ผลที่เกิดจากการทำทานนี่มันได้ทันทีพอทาปุ๊บมันก็ได้ผลเลยเพราะเราได้บริจาคเราได้เสียสละ เ, เงินทองของเราไปความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นเราสามารถที่จะอุทิศความสุขใจอิ่มใจนี้ไปได้ทันที คำถามหมดครับอาจารย์อ่ า, อาทางนี้มีทางยื่นมาทางนี้หน่อยกบาบธรรมสการประดานค่ะอยากเรียนถามหนึ่งคำถามครับอาจารย์ว่าเราจะสามารถใช้ธรรมะข้อไหนในการที่จะอยู่กับองค์คุลิมานในยุค ป, ปัจจุบันได้คะหมายถึงคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่รับธรรมะอย่างเงี้ยค่ะ เราจะอยู่ยังไงให้ให้ตัวเราไม่หมดพลังแล้วก็จะสอนพวกเขายังไงให้ให้ขึ้นมาจากจิตที่เป็นอย่างนั้นได้ก็อย่าไปอยากสอนเขาเลยปล่อยเขาไปนันเองปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาถ้าไปอยากมันก็จะมันก็จะเครียดขึ้นมาเวลาที่เขาไม่ทาตามที่เราอยากเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าสอนได้ก็สอนถ้าสอนไม่ได้ก็หยุดสอน แล้วถ้ากรณีที่มันมีผลกระทบกับชีวิตเรานี่นะคะพเจนปกติทุกวันนี้ก็ใช้วิธีเมตตาแต่ว่าเ<ก>มตตาไปเรื่อยๆมันก็หมดพลังก็ยากกันอยู่ใช่ี่อยู่ด้วยกันทําไมเหร อ, หรอมันจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันออยู่ก็ต้องทนใช้ความทนใช้ความอดทนใช้ขันติไปถือว่าเป็นการใช้กรรมไปใช้อุเบกขาไปว่าเป็นกรรมของเราที่ต้องมาอยู่กับเขา ก็คือปรับทัศนคติว่ากำลังบาเพ็ญคันติบารมีอย่างนี้ใช่ไหมคะอาารย์ใช่คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราเทั้งแต่ด่าเราบนเราดีแล้วก็ยังไม่ตีเราแต่เขาตีเราก็ดีก็แล้วเขายังไม่ฆ่าเราค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ไม่ไม่เดือดร้อนนะไม่ไม่มีถามก็จะได้ไม่ต้องตอบ คำถามจากคุณอนิจจังนะครับเวลานั่งสมาธิไประยะหนึ่งขณะหลับตามันมีแสงวูบวาบเกิดดับบางครั้งเป็นแสงแยงตาทำให้ลูกเผลอลืมตาสมาธิหลุดลูกกลัวเวลาเกิดแบบนี้ลูกจะรีบบังคับปิดตาให้สนิทจะแก้อย่างไรคะนั่งมีอะไรควบคุมใจหรือเปล่าพวกนี้นั่มักจะไ ม, ม่นั่งเฉยเฉยไม่มีพุโทโธไม่มีการดูลมหายใจเข้าออก มันก็จะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาถ้ามีพุโทโธมันไม่เกิดยังถ้าไม่มีเวลานั่งก็ให้มีพุโทโธไว้มีอะไรเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปหรือถ้าใช้ลมก็อยู่กับลมไปอย่านั่งเฉยๆนั่งโดยที่ไม่มีอะไรครวบคุมใจก็เหมือนกับปล่อยปล่อยให้หมาไม่มีเชือกมัดมันไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปเพ่นพลาดมันก็เดี๋ยวก็ไปกัดคนนั้นกัดคนนี้ะ แต่ถ้าเรามีเชือกผูกคอมันไว้แล้วคอยคอยจูงมันไปไหนมาไหนมันก็จะไปทำอะไรต่างๆไม่ได้จิตเราก็เป็นเหมือนสุนัขที่เราไม่มีเชือกผูกมันไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปวิ่งมาตามอารมณ์ของมันมันก็เลยเกิดอาการอะไรต่างๆให้เรารู้เราเห็นที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะการนั่งสมาธิเราไม่ต้องการเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นอาการต่างๆเราต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบ มันจะนิ่งมันจะสงบได้ก็ต้องมีอะไรกำกับมันไว้ผูกมันไว้ดึงมันไว้ก็คือต้องมีสติต้องมีพุโทโธแล้วต้องมีการดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องพอมันเผลอพอเผลอสติปับมันไปเลยพอสติเราไม่ค่อยมีกำลังพุโทโธได้เดียวเดียวเดี๋ยวเผลอละปล่อยไปคิดเรื่องนั้นปล่อยไปคิดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปมีอะไรโผล่ขึ้นมามีแสงวูบวาบมีอะไรขึ้นมา เนี่ยเพราะว่าไม่มีสติสติไม่มีกําลังพอหรือบางรายก็หลับไปเลยสับประหก ค, คอพับไปเลยนี่ก็ผลจากการไม่มีสติทำงั้นเนี่ยเกิการการปฏิบัติโดยที่ผ่านขั้นตอนก่อนที่จะมานั่งสมาธิให้ผลได้มันต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนก่อนที่จะไปจับหมาให้มันอยู่ในคําสั่งของเราได้ต้องไปเอาเชือกผูกคอมันไว้ก่อน ถ้าไม่มีเชื่อไปผูกคอมันไว้มันก็วิ่งไปเพ่นพ่านของมันไปเอรฉะนั้นตอนนี้ถ้านั่งแล้วเป็นอย่างนี้ก็ไปฝึกสติก่อนเถิดหัดเลื้หัดเสติสร้างสติขึ้นมาตั้งแต่ตื่นเลยพอลืมตาขึ้นมาพุโทโธไปเลยหรือถ้าจะดูก็ดูร่างกายไปอย่าให้มันไปที่อื่นให้มันเฝ้าดูว่าร่างกายตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ทําอะไรควบคู่ไปกับร่างกายตลอดเวลาอย่าทำสองอย่างพร้อมกัน ปล่อยให้ร่างกายล่างหน้าใจก็ไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปกินอะไรดีถ้าอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วไม่มีสติแล้วมันเป็นสองแล้วต้องให้มันเป็นหนึ่งกายล่างหน้าใจก็ต้องล่าง่างหน้ากับร่างกายร่างกายแต่งตัวใจก็ต้องแต่งตัวกับร่างกายให้มันอยู่คู่กันเหมือนสามีภรรยาไปไหนไปด้วยกันอย่าทอดทิ้งกันอย่าแยกกัน แ้วอย่างนี้เวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมได้มันจะสงบคําถามจากคุณรุชนะนะครับสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมีการภาวนาแตกต่างกันแบบไหนคะคือคำว่ากรรมฐานนี่มันเป็นอารมณ์ที่สร้างที่เราใช้สร้างสติใช้สร้างสมาธิหรือใช้สร้างปัญญากรรมฐานบางอย่างนี่เป็นกรรมฐานสําหรับสมถะคือเช่น พุทธานุสติธรรมานุสติพวกนี้เป็นกรรมฐานสมถะกรรมฐานทําให้จิตสงบเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ทําให้จิตเกิดปัญญาขึ้นมาแต่กรรมฐานบางชนิดนี่ทําให้เกิดปัญญาด้วยเกิดความสงบด้วยเช่นการระลึกถึงความตายนี่จะเกิดปัญญาขึ้นมาจะเห็นความจริงของชีวิตเห็นร่างกายว่าเกิดล้วต้องตายอันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐาน สมัทากรรมฐานก็ให้เราเลึกถึงพุทโธพุทโธไปแลอดูลมหายใจเข้าออกไปก็เรียกว่าเป็นสมัากรรมฐานแต่บางอย่างก็เป็นได้ทั้งสองอย่างถ้าเราพิจารณาตามลมหายใจนี้ก็เป็นกรมกรมเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ได้เพราะลมนี้ก็ไม่เที่ยงมีเข้ามีออกถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย อันนี้ก็จะเป็นเป็นวิปัสสนากรรมฐานได้คำถามจากคุณแพทนะครับทำบุญให้บิดาที่เสียไปแล้วทำบุญแบบไหนจะถึงครับก็ง่ายที่สุดก็เนี่ยเอาเงินไปบริจาคซะช่วงนี้ทอดกะถินใส่ซองยัดยใส่เข้าไปแล้วก็ถอยไปแล้วก็อุทิศบุญไปเลยอันนี้ง่ายที่สุด อย่าไปขี้เหนียวเงินแล้วมานั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธิแล้วไม่เสียเงินจะได้วุทิบุญเนี่ยสมาธิถ้าจิตยังไม่รวมมันไม่ได้บุญหรอกมันเหมือนกับปลูกต้นไม้ปลูกวันนี้เมื่อไหร่มันจะออกดอกออกผลน่ะมันก็ต้องหลายปีนั่งสมาธิวันนี้ปุ๊บแล้วมันจะสงบทันทีรวมทันทีเป็นได้ผลทันทีหรือเปล่ามันไม่เหมือนการทําบุญเนี่ยปล่อยจากเงินปุ๊บนี่มัน โลงอกโลงใจสบายใจมีความสุขใจขึ้นมาทันทีบริจากแบบนี้ดีกว่าถ้าไม่มีเงินก็ไปทําประโยชน์อย่างเช่นคุณต่อก็มาเสียสละเวลามาถ่ายทอดสดนี้ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งอันนี้ทํแล้วได้ผลทันทีทำแล้วเกิดความสุขใจอุทิศบุญนี้ไปให้แก่ผู้ร่วงรับไปแล้วได้คําถามจากคุณนานะครับ คำพีอัตกถาควรศึกษาหรือไม่ครับอยังไม่รู้เลยแปลว่าอะไรคำถามจากคุณจูนนะครับกำหนดพุทโธขณะเดินจงกร ม, มแต่ก็ยังสามารถคิดเรื่องอื่นไปด้วยขณะพุทโธไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรดีคะต้องสร้างสติในทุกวันก่อนเดินมาจงกรมและนั่งสมาธิใช่ไหมคะก็เวลาเริ่มต้นใหม่หมมันก็จะเป็นแบบลมลุกคุกขาด มีอยู่มีพุทธโธบ้างมีความคิดบ้างสลับกันไปก็อย่าไปกงังวลพยายามทำไปเรื่อยๆพยายามให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะอยู่กับพุทธโธไปได้มากขึ้นมากขึ้นไปความคิดก็จะเบาไปน้อยไปแล้วต่อไปก็จะเหลือแต่พุทธโธเพียงอย่างเดียวเหมือนกับการที่เราเริ่มหัดเดินเนี่ยเดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ลม้มเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่พยายามทาไปเรื่อยๆต่อไปก็จะลุ ลุกขึ้นมายืนได้ลุกขึ้นมาเดินได้ไม่ล้มขอให้เราพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็มีการเผลอได้เผลอปั้บมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอมีสติก็เดินกลับมาพุโทโธพุธโทโธต่อหรือขณะพุโทโธมันก็ยังแวบไปได้เหมือนกับมันแข่งกันเราก็อย่าไปสนใจความคิดให้สนใจอยู่ที่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วต่อไปความคิดมันก็จะหายไปคาถามหมดครัาบอาจารย์